หลายคนก็ จ, จะรู้สึกหงอยหงอยเงาเงานะหรือวงว ง, วงงนะซึ่งก็คงเป็นความรู้สึกที่ตัวเองไม่เคยชอบเท่าไหร่มันไม่เหมือนความตื่นเต้นมชีชีวิตชีวาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเวลาเราอยู่บ้านที่ทํางานมีความกระตือรือล้นนะแต่ในราเดียวกันก็จะมีความเครียดความสับสนว้าวุ่น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 ให้เชื่อเถอะว่าน ะ, ะตรงนี้เนี่ยหรือสภาพแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าไม่ใช่หมายถึงสิ่งแวดล้อมนะแต่หมายถึงสภาวะที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองเมื่อชายนี้ก็ได้พูดถึงว่าการการมีบ้านการการกลับมาหรือว่าการมาพบบ้านที่แท้จริงที่ประเสริฐกว่าบ้าน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 ทมให้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเกิดความสึกตัวขึ้นมาความสึกตัวเนี่ยภาษาบาลีก็สัมปะชัญญะนะสติกับสัมปะชัญญะนี่คู่กันสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่หลงก็คือรู้ตัวหรือรู้สึกตัวและการที่จะทําให้เราเกิดภาวะช่นนี้ได้เนี่ยมีวิธีการเรียกว่าสติปทานสี่นะที่ชื่อว่าที่วัดนี้มีชื่อว่าสถามัสติปทานเนี่ยก็คือว่า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 คนไทยสมัยก่อนจยเขาเชื่อเลยนะนะว่าถ้าหากว่าสละชีิตเป็นทานเนี่ยก็จะเข้าถึงพานิพานได้เร็วบางคนที่ถึงกับไม่ใช่สละชีวิตให้ใครเลยนะเผาตัวเองเลยนะสมัยการที่สองการที่สามมีคนไทยหลายคนเนี่ยเผาตัวเองต่อหน้าพราะพุทธรูปด้วยความเชื่อว่าการสละชีวิตอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เข้าถึงพานิพานได้เร็ว ที่จริงมันก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะจงกระทั่งทางการต้องสั่งนะว่าห้ามทำเด็กขาดนะรัชการที่สี่ต้องประกาศเลยนะห้ามห้ามเผาตัวเองเพื่อเพื่อเป็นเป็ น, เ, ปนเพื่อถวายเป็นทานแก่ผู้เจ้านะเพราะมันไม่มีในะพุทธศาสนาแต่ว่ามีมีนะประเภทว่าสละชีวิตเพื่อช่วยสัตว์ช่วยผู้คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบาเพ็ญทานบารมีที่นาไปสู่ความหลุดพ้นได้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 มีความเชื่อแบบนี้เหป็นกัรนนะัตธรบุญมากๆแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเกิดในยุคพะศีอารซึ่งเชื่อว่าอีก2อ0 0รรสองปีข้างหน้ามาถึงยุคพระศีอานแล้วเกิดในยุคนั้นแล้วก็จะมีโอกาสได้หลุดพ้นได้เข้าถึงพระ น, นิพพานรักษาสีงก็เหมือนกันนะเชื่อว่ารักษาศีงด้วยความเคร่งครัดก็อาจจะเป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในยุคพะศีอานได้พรพระพุทธเจ้าองค์ที่5นะ้าเรียกว่าอนาคตกาพุท ธ, ธะแล้วก็ทําให้บรรลุธรรมได้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 หรือว่าอย่างต่ำๆเกิดความหงุดหงิดอันนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราวันเราหลายครั้งแล้วก็ทุกวี่ทุกวันก็ว่าได้สถิปัญานเนี่ยมันสามารถจะเป็นทางเอกทางรัฐที่ทำให้เราพ้นจากทุกแบบนี้ได้แม้ว่าจะเป็นทุกชั่วคราวที่ยังไม่ใช่เป็นการรื้อถอนความทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็ตามแต่มันก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนา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 เข้าใกล้ผู้หญิงนะบางทีนึกถึงศพเนี่ยนึกถึงศพก็ทำให้ใจมันฝอไปเลยตันหามันก็มันก็เหี่ยวไปเลยนะราคามันก็หายไปเลยอันนี้เรยนึกถึงสิ่งตรงข้ามว่านึกถึงเรื่องอื่นก็ได้ใช่อยากได้สิ่งนี้แต่ว่าไปนึกถึงเรื่องไปนึกถึงพระพุทธรูปนะนึกถึงพระพุทธรูปนะ้ราคาที่มันมีก็ค่อยฝอไป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 แต่การไปกดคมมันนะก็ไม่ถูกเหมือนกันได้ผลบ้างนะได้ผลในกรณีที่ว่ามันกระทันหันอ้าวเหยียบเบรกก็ไว้ซึ่งก็มีผลดีนะ mm. เช่นเราโกรธใครเนี่ยเทาเราอย่าไปต่อยเขาเนี่ยมันไม่ดีแน่โกรธเขาแล้วอย่าไปทำร้ายเ้าเนี่ยมันไม่ดีนะ mm. ก็ต้องกดคมเอาไว้มันได้ผลชั่วคราวแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องเรียกว่าเฉพาะหน้าหรือว่าอ่ากระทันหันนะ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 ตอนที่จะเป็นเด็กเนี่ยเขียนกไก่ขไข่มันยากไหมมันยากเขียนกไก่ข้อไข่ไม่เป็นตัวเลยนะแต่ถึง๋นี่เราเขียนกอไก่ข้อไข่เร็วมากเลยเนี่ยสุคุณแต่ก่อนก็กว่าจะท่องได้สามสี่เท่าไหร่นะสามคูณสี่เท่าไหร่ใช้เวลานึกอยู่ต้องนานเดี๋ยวนี้นี่มันออกมาเองสามสี่สิบสองแม้จะฝันเอามันก็ยังฝันได้แต่ก่อนเรียนภาษาอังกฤษที่แต่ละคําแต่ละคํานึกไม่ออก แต่พอทำทาแบบฝึกหัดจนชนานาญฝันเป็นภาษาอังกฤษก็ยังได้เลยฝันว่าพูดภาษาอังกฤษก็ยังได้มันกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะทำบ่อยๆนะัศกิจปัญหานเนี่ยซึ่งเป็นทางเอกทางลัดในการพ้นทุกเนี่ยทั้งทุกชั่วคราและทุกถาวรเนี่ยถ้าเราทำจนเชี่ยวชาญชนานาญเนี่ยมันก็จ ะ, ะช่วยเราพ้นทุกได้เร็ว แต่ทือว่าเราทำชำนานหรือเปล่าต้องทำบ่อยๆในขณะที่เราเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยนะมันจะเผลอมากกว่ารู้หมายถึงรู้ตัวนะทำไปนะชั่วโมงหนึ่งก็าจะเผลอไปสักอ่าห้าสิบหกนาทีรวมไปแล้วนะรู้ตัวแค่สี่นาทีก็อย่าท้อนะก็ทำไปเรื่อยๆทไปเรื่อยๆนะ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 ความชํานาญไม่มีการรู้จักคิดด้วยตัวเองไม่มีเพราะท่องตะบันวิธีการปฐมมัธยมคือการท่องจําวิธีการหมาชลายคืออุดมก็คือการรู้จักคิดไตรตรองพิจิตรพิคอยในตัวเองทานองเดียวกันนะในการการแก้ทุกข์กันกําจัดทุกข์หรือว่าการพ้นทุกข์เนี่ยวิธีปฐมมัธยมคือการกดข่มกดข่มความโกรธความเกลียดความโกรกข่มความอยาก